ม้าท่านถูกเก่าทันฆ่าสุดเพนพยศจนท่านตกจากหลังมา้าโรมานั้นมีุ่มสุวรพยายามบอกชี้ให้เข้าใจว่ากำเหล่งช่วยเหลือเลงเรื่องทองเนี่ยเมื่อก่านตกอยู่กลางดินนะ่ะนักกิ้งคู่ต่อสู้ท่านนะ่ะขับม้าเข้ามาจะเอาทวนแทงท่านหาเได้กำเหล่งช่วยเหลือโดยเอาเกาทันยิงไปถูกหน้าผาตนักกิ้ง ตกจากหลังมา้าลงไปท่านจึงรอดจากความตายครั้งนี้มาได้สุดควรพูดจาให้ฟังดังนี้เล่งทองได้ฟังก็นู้ไปขมับกรรมเหลยงแล้วก็พูดว่าท่านช่วยแก้เราไว้ครั้งนี้คุณหาที่สุดนี้ได้ซึ่งเราคิดพยาบาทถ้ามาแต่ก่อนนั้นเราขออภัยเกิด แต่นี้สุไปลายมากเราจะตั้งใจประนอมต่อท่านนี่ก็ต้องรีกว่ า, ากัมเหลิงกัมเหลิงอดีตโจรผู้ฆ่าพ่อของเล่งทองตายเอาชนะเล่งทองด้ว ย, วยความดีอันเป็นที่สุดเล่งทองเข้ามาขมาํานับเข้ามาขอบคุณอย่างนี้กัมเหลิงนก็ยิงดี และต่างคนต่างก็สาบานว่าด้วเราทั้งสองนี้แต่วันนี้ไปจะเป็นนิตแต่กันจะไม่มีความสงสัยครางแครงแต่กันเลยฝ่ยเยียวชวครั้งกลับไปถึงไข่ก็เห้หมอ มารักษาบาดแผลเก่าทาันของงักจิน้นคือนักจิ้นไม่ถึงตายาทหารที่เอาตัวกลับไปได้ก็ได้รักษาพยาบาลกันละแต่โจโฉก็มาคิดทีเดียวว่าสุดครั้งนี้ก็สำคัญนะจำเราจะต้องแต่งทหารให้ยกไปโจมตีค่ายสุ่มกวนและจะต้องกระทําเป็น5้าทางด้วยกัน จึงจะมีช่ชนะนีโจโฉ ว, วางแผนเช่นนี้ก็วางได้สิเพราะมีกําลังทัพอันมากมายมาหาศาลกว่านี่ยังรีดารเกง ม, มาจากฮังตงนะ14บสี่หมื่นเนี่ยนี่โจโฉก็ะวางแผนจะต้องเข้าปีห้าทางพร้อมกันนะรุ่งเชา้าโจโวก็คุมทหารเป็นกองกลางให้เนเตี๋ยวเลี้ยวรีเทียนคุมทหานคนละหมื่น แยกกันบปริมชายทะเลเป็นสองทางให้สิหลงกับบังเต็กบังเต็กผู้ใดตัวมาใหม่นีครับมาตายบังเต็กนี่คู่กันแต่มาตายไปอยู่เท่ยกับหล่าปีบังเต็กนี่โจโฉที่ได้ตัวมาจากดึงฮัน um, โ um, นต้งเมื่อยกจากฮันโต้งมาสู่การต่างเนี่ยโจโฉก็เอาตัวบังเต็กนี่มาด้วยโจโฉให้สิหลงบังเต็ก คุมทารกองละหมินแยกกันไปริมเมินเขาเป็นสองฐานนี่ก็เป็นห้าสิเดียวิเตียนซีหลงบางเป็กและโจเมงเตโชเป็นกองกลางนห้ากองแครและโจโฉและฐานทั้งสี่กองนั่เนก็คุมทหารดาดันเข้าไปทีเดียวข้างฝ่ายตางซีสิเซ็ง ซึ่งคุทหารเรืออยู่นั่นน่ะเห็นกองทัพโจโฉยกดาน่ากันมาดังนั้นแล้วก็เห็นทหารเลืในยุโรปน่ะหน้าซีดสงบกันหมดทหารบุรกัน่างๆนี่วาดเกรงทหารเมืองหูโตของโจโฉมากทหารเลืในยุโรปเนี่หน้าซีดทีเดียวซีเซงก็จริว่าธรรมดาเป็นชายชาติทหารกินเบี้ยวหวาดท่าน ถ้มีสงครามมาก็ให้ตั้งใจรบพึ่งเป็นสา ม, มารถและตัวทั้นทั้งตัวนี้เห็นแต่ข้าศึกมาทั้งนี้ก็ให้ตั้งท่าย่อท้อดังนี้ไม่สมควรเป็นชาติทหารเลยอดบัดนี้เราจะขึ้นต่อสู้เลยขาดสุดถ้าคุณได้ขั้นรัาาา้ามอยู่เราจะปัดหัวเสียนี่สีเซิงแม่ทัพสั่งดังนี้แล้วก็พาฐานสามร้อย ลงเรียน้อยขึ้นไปถึงหาดทรายแล้วก็เข้าไปตะลุมบอลอยู่กับทหารของีิเตียนฝ่ายตั้งสิทธิ์อยู่ในเรือรบเห็นดังนะก้อยฐานไคกองกองโหร่องอีติงขึ้นเรียกว่าให้กำลังใจล่ะหรือจะเป็นกองเชียร์ประการใดก็ว่ากันไป แ, แต่ขณะนั้นก็พอดีรวมพายุใหญ่นี่พัดมา เสียคลื่นแล้วระลอกขึ้นเดืยดกระเดือกุก้องเดียวเรือรบพันดวงพุ่งคลื่นรมใหญ่ซัดกันั้นก็จะราชนัำจะล่มลงอะ่ะฐานเรือต้องนึกตกใจกลัวเรือจะร่มก็วิ่งไปวุ่นวายหวังจะลงเรือน้อยหนีขึ้นหาดทายเพื่อพ้นจากความตายในทะเลตั้งสิทธิ์เห็นนี้นก็โกรธชักกะบีออกไล้ข้าฟันฐานเรือของนตนติดแต่ตื่นเนี่ยลมตายเยอะประมาณ1415โคลนละ ระหว่ให้หยุดด้วยคำพูดดีหยุดไม่ได้ตื่นที่มากที่สุดตื่นวัวตื่นควายไม่ค่อร้างกันอยู่แต่ตื่นค น, นวัวคนตื่นโจนไม่ร้างไม่ไหวต่างสิทต้องเทนอกระ บ, บีจ้วงฟันไป14บสห้าคนไม่ค่อยสงบแล้วก็ร้องประกาศว่ามาเราให้มาขัดตาทับอยู่เกิดลมพายุแต่เย็นนี้ต่างคนต่างจะหนีเอาตัวรอดคือบก ขัมแม่นขึ้นจะขึ้นไปให้ได้แล้วจะฟันซี่สิทหารเรานั้นก็ต้องเกรงกลัวอามากระบี่ในมือตังสิงมากกว่าขณะนั้นพายุใหญ่ก็ยิ่งพัด ก, กระนำนะหนักคลืตนกหนักีขึ้นเรือรบสูดทอดอยู่นั้นสายสมองขาดพายุพัด ก, กระนำหนักด้วยสายสมองเรือขาดนี้รลมซัด ก, กระนำหนักเรือเรานั้นก็ล่มจมเป็นหลายลา เรือตังสิกก็ล่มด้วยตังสิงก ว, สว่ายน้าไป น, นั้นเพี้ยนสิ้นแรงท่านี้เขาแต่งตัวเครื่องรบครบหันผมมีกรอบหุ่มอยู่ด้วยเนี่ยน้ำหมักนีมันมากยิ่ง น, นะกรับทหารเรานี้พอจะถึงน้ำเป็นไรนี่มักจะเป็นที่อับจมเนี่ยวันนี้รือล่มแล้วนี่ไม่มีแรงว่ายน้ำด้วยแรงน้ำหนักที่ตัวสวมใส่อยู่มันมากจะเกราบทั้งพวงนะ่ะตังสิกก็ถึงแก่ความตายในน้ํามันเอง าหารทั้งปวงของต่างสิทธ์ก็ จ, จมมามตายเป็นอันมากมีความสูญเสียทางด้านสิ่กวนเกิดขึ้นด้วยหมนกับบทธรรมชาติจะเป็นใจให้กับฝ่ายโจโฉกองทัพเรือต่างสิทธิ์พ่ายโดยพายุพิมิตมันบูนีเป็นอีกกองหนึ่งของสูง้กวน ตันบูนี่เป็กองกลาเงเวรก็เห็นบังเต็กเลยมังเต็กฐานใหม่ของโจโฉคุ้มฐานมาตาเมเงินเขาบางบูก็ขับมาเข้ารบกับมังเต็กตะลุมบอลเป็นสามารถทีเดียวนี่คือโจโฉจัดทัพมาห้าฐานนะขณะนั้นพอฟื้นควรรู้เนี่ยก็ขึ้นมาพาจี้ไทยกับฐานน้ำรวมรีไปทีเดียว เห็นสิเซิงกับนิกเตียนคุณทหานเข้ามารบกันอยู่สุ่นควรนีเรนกเกรงว่าสิเซิงฐานน้อยกว่ากว่าสิเซงเอาทางเรียขึ้นมา300อเท่านั้นเองเกรงสิเซิงจะเสียีกาึกสุส่นควรกับจีนทตายวกคุณทารก็ช่วยสิเซิงรบกับทหารโจโฉเป็นกระุงบอนข้างฝ่ายเตียวเรียวเห็นสิหลมเป็นดังนั้นพวกคุณหารตีกระนาดเข้ามา้อมสุ่นควรเข้าไวล้ละ โฉอยู่บนเนินเขาเห็นได้พีฉะนั้นก็ให้เขาถูเขาถูไปช่วยป้องกันหวังจะมีหลัฐานซุ่มกวนมาช่วยและแก้ไขกันได้ก็จะจับตัวซุ่มกวนให้ได้ละซุ่มกวนนี่แต่เป็นคนหนุนที่รู้ทะลุพู้หนึ่งทีเดียวออกรบด้วยตัวเองขณะเมื่อรบกันโร ม, มานอยู่นั้นน่ะกิ้วท่ากับซุ่มกวนนี่ก็พลาดกันกี้ท่ายก็ ขีขับมาตะเวนหาสุ่มกวนไปถึงชายทะเลยก็ไม่พบสุ่มกวนก็ขับมาฟาฐานโจโฉก็มีตรุยอยู่ในมือฐานโจโฉเพื่จะติดตามสุ่มกวนไม่พบก็ไม่พบสุ่มกวนกี่าตุก็ถามทหารว่าเห็นสุ่มกวนไหมเราที่ไหนบ้างทหารคุนก็ชี้มือบอกว่าสุ่มกวนรบอยู่ในระหว่างกองทหารของโจโฉโน้มชี้มือไปทางนู้นกีธาตุก็ขับมาบ่ายหน้าไปทางที่ฐานชี้บอก รําควนฝ้าเข้าไปตาลียราทหารที่ล้อมซุ่มกวนอยู่แหวกล้มร้อมเข้าไปได้ก็พบซุ่มปวนอยู่กลางที่ล้อมข้าศึกอยืนท่ายก็ดีอว่าท่านจึงขับมาบ้ารั้มเข้าไปเจ้ามาเข้าไเจ้าจะรบฟันฝ่าพาออกไป้พ้นข้าสึกซุ่มควนก็รับขับคือซุ่มควนก็มีฝีมือมีพลังแต่ด้วยความเป็นห่วงใจนะต้องมีมากกว่ า, าเพราะซุ่มกวนเป็นไม้พับจอมพับ จีนไท่นั้นขับมาฝ่าฐานโจโฉออกมาได้กินถึงชายทะเลครั้นเดี๋ยวหลังกลับมาไม่เห็นซุน่มกวนอีกแล้วก็ตกใจรีบขับมาตะลุบกลับขบิคฝ่าฟันตะลืมเลือดชกกลับไปในระหว่างฐานโจโฉนั่นแหละก็ไปพบซุ่มกวนเข้าคือซุ่มกวนตามมานาขวบฐานตีก็นําจนำตามจินไท่ไม่ทันยินไท่เขาจึงว่าให้ท่านร่งขับมาตามเขาไปจ้าให้จนทัน ซุ่มกวนก็จีว่าเราตามท่านออกไปเนื้อตะกี้นี้แต่ข้าศิดนนะ่ยระดมยิงเกาทันมันหมาแน่นนะจึงพลัดกัจงจีว่าท่าดังนั้นซุ่มกวนนั้นจึงขับมาขึ้นมาขาบ a j เจะขาบ a j เจจะคอยป้องกันลูกเกาทันไปข้างหลังเอนกดีจีว่าดียอดฐานกลา้าฝีมีดียิ่งคนหนึ่งของสุ่มกวนซุ่มกวนก็ขับมาขึ้นมาจีท่าจีว้าก็ขับม้ารําทวนปัดลูกเกาทันไปข้างหลัง แหวกวงล้อมออไปถึงชายทะเลก็พอดีลิบองคุมเรือรบมาถึงก็รับเอาสุนกวนกิวไทกับทาหารเหลือตายเพียง1 4บสห้าคนเท่านั้นเองแต่ลงเรือไปได้สุนกวรก็ยับเยินอีกตอนนี้สุนกวนนั้นขึ้นมาบนเรือได้ก็สังเสรวยฝีมือกิวไท ขึ้รบฟันฝ่าเข้าไปในกองฐานโจโฉตะวีรบเข้าออกเป็นหลายครั้งแต่เราวีตกอยู่ทึงสิเซิงซิเซิงก็ยังอยู่ในระหว่างฐานโจโฉผู้ใดจะช่วยเอบแก้เอาซิเซิงกลับมาได้บงังกิวไทมีก็จะรับปีเดียวเข้าไปเจ้าจะขอรับอาษาที่เดชและจิวไทก็จับทวนล้นจากเรือ ขึ้นมารบฟันฝ่าเข้าไปในราวฐานโจทวยก็ได้พบซีเซง็งตกทีธาตุกลางที่รอมซีเซ็งเอาฐานจากักรกลขึ้นไปสา0ร้อเท่านั้นเองยทธายมุงนี้เข้าไปจนได้ตัวซีเซง็งก็พากันขับมากลับออกมาขณะนั้นนะ่ะทั้งกิธไตุและซีเซงเนี่ยป้องอาวุธชออช้าเป็นหลายแหง่งรีบบองอยู่ในเรืปล่อยฐานยิงเก่าทังขึ้นไปช่วยป้องกันยีธาตกับซีเซง็ง กลับมาลงเรียรบได้สำเร็จทีนี้อีกข่าวนี้คือตังดูตังดูตังดูดิรบกับมันเตกหยุดช้ามาท่าทั้งสองฝ่ายก็สู้รบกันเป็นกระรุงบอล น, นันกล่าแลวแล้วแหละแล้วก็ล้มตายไปทั้งสองฝ่ายเป็นอันมากแหละแต่ในที่สุดตังดูอ่อนกำลัง สิ่งกำลังเข้าแล้วก็ชักมาถอยหนีส่วนบางเต็กนั้นทรงพรังและฟิล์มเหนือกว่านะก็ขับมาไรา้ติดตามไปตังบูขวบมา้าหนีเข้าไปที่ริมเนินเขาเป็นช่องแคบแห่งนี้ติงไม้ริมพา น, นนะ่ะมันเกี่ยวเอากรอบของตังบูเข้าไว้ตันบูเสียทีเอี่ยวตัวจะไปปลกติงไม้นั่นแหละจังหวะนันเองเป็นจังหวะศูนย์ชีวิต พอดีบางเต็กตามมาทันก็เงาฟันตําดูตกจากหลังมาถึงกับความตายไปเลยท่านฟ่ายโจโฉยืนบัญชาการรบอยู่บนเนินสูงและเห็นสู้ควนหนีลงเรือไปได้กบขุมหมันตามโดวยวัดตู้าิมชายทะเละว่าจะจับตัวสู้ควนให้ได้รีบบองแม่กองเรือรบเห็นนั่น่ค่อยทหารในเรือรบยิงเกาทันที่ไปเป็ น, นั้นมากทีเดียวก็พอดีลบสื่อ มี่ฟังชื่อบุญคนผุ้มีว่าห้ดีลกซุ่งเป็นบุดเคยเซุ่เซกนี่อ่าคุมเรือรบที่มันติดทหารมาประมาณสิบหมืนใช้ใบเรือมาถึงเรือนะใช้ใบลกซุ่งก้อยสานทั้งะโบอเอาเกาทานกระดมบิงขึ้นไปดังหาฝนแล้วลกซุ่งก็คุมทหารขึ้นจัดเรือรบ เขารบกับทหารโจโฉทหารโจโฉมาอิดโรมาแล้วถอยกําลังแล้วในที่สุดก็ถอยกลับไปถ่ายทหารของลกซุ่นนะ่ะก็ไปได้ศพของตันมูมาให้แกสุ่มกวนสุ่นกวนก็มีความสงสารตันมูนะและก็คิดสงสารตังสิกเพราะว่าเรือร่มและตังสิงก็จบมาปลายนะ่ะสุ่นกวนค่อทหารเอาอวน เอาอวนมาลากพานศพตังสิกขึ้นมาจนได้ศพมาเอาอวนมาลาแล้วก็ได้จัดการให้เงินให้ทองแกทหารให้เอาศพตันมูตังสิกไปแต่งการฝังไว้ณนะเมืองกังตัง คนตังบูตังสิในที่สุดสุกวงก็คุมตาา่างาันลงเรือรบทั้งกวงแล้วก็กลับมานัดค่ายยีสุเมื่อกลับมาถึงค่ายแล้วสุกวงก็คิดถึงความชอบของจิวไทที่ได้ตะวีเข้าไปในระวันกองฐานโจโฉตั้งมากมาย ขาบฟันฐานขาดสุดตะกุกตาจะนับจำนวนไม่ทวนทีเดียวตะรุยเข้าออกตั้งสองตรบสามตรบแลย้ยังันยงไปช่วยิีนเซ่นไ้อีกด้วยเนี่ยจีไทไ่าจะมีความชอบมากซุ่มกว่ก็แต่งโตเรียรและสุ่มกวนก็รินฟุราให้จวไท้ากินเองนี่เป็นการให้กิดแกฐานเอกอย่างที่สุดสุ่มกวนนั้นก็จริงว่าแต่จีนท้ายว่ะตัวท่าน ตั้งใจสุดใจอีกต่อเราครั้งนี้สู้เอาชีวิตเข้าไปแลกเพื่อเอาชีวิตของเราออกมาได้นั้นคุณหาที่สุดนี้ได้ประมาณเหมือนตายอยู่ในระหว่างทหารโจโฉแล้วท่านเอาซากศพเรามาชุบขึ้นเหล็กเป็นเราจะให้ท่านบังคับทหารในเมืองต่างๆกลืนตัวท่านจนคิดว่าเป็นพี่น้อง รวอุทธร์กันกับเราเถิดนี่สุนควรกล่าวดังนี้แล้วค่อยจิ้วท่ายถอดเสื้อออกก็เห็นบาดแผลจากอาวุธฆ่าเสิ็จนะิน่ะทั่วกายเลยเอ่อทหารทั้งปวงห็นเท่านั้นนะ่ะถึงกับทรายหัวไปตามๆกันเลยทีเดียวนี่จิ้วท่ายนี่ยอดโกรธอดทนเป็นที่ยิ่งถูกเอาถูกอาวุธทั้ตัวเลยเนี่ยสุนควรก็ถามแบบ นี้เป็นอย่างไรแผลนั้นเป็นโดนฟันกันไหนแผลนู้ถูกแทงด้วยอะไรถูกอาวุธอย่างไรตอนไหนซึ่งคุณก็ถามไปทีละแผลทีละแผลทีละแผลทีท่ายก็ชี้แจงตอบว่าแผลนี้ถูกทวนเมื่อเที่ยวติดตามหาท่านแผลนั้นถูกง้าวเมื่อตอนพบท่านแผลนู้นถูกกระบี่ เมื่อตอนที่ขบเจ้าน้าท่านแวกวงร้อบออกมาแล้วหันกลับไปทัางตามาไม่ทันพลัดกันขบเจ้าจึงตลกกลับเข้าไปก็ถูกกระบีเขาแผลเนี้ยแผลนั้นเป็นอย่างนั้นแผลนู้นเป็นอย่จท้ายก็บอกขี้แกงหมดซึ่งทุกบาดแผลล่ะจี้ท้ายบอกถึงบาดแผลทีไรสุ่งกวนก็รินสุราให้กินทีนั้นจนจิ้วท้ายเมาสุรานอนหลับ สุนควรก็ใหทหารช่วยกันยกตัวกิลท่เนี่ยขึ้นใส่เกวียนแล้วก็ใหเอาสับ ป, ปะทนทองมากัน้นกิลท่าคือกัน้นไปสับ ป, ปะทนทองนี่เป็นการให้เกียรติย่างที่สุดซึ่งสุงนควรก็กระทําถูกแล้วที่สุนควรเปิดอยูประมาว่าเหมือนจะตายอยู่ในกองทัพโจโฉแล้วเหมือนตายแล้วกิลท่าไปช่วยเอาซากศพออกมาแล้วมาชุบให้เป็นขึ้นเนี่ย โจโฉกับซุ้มกวนเนี่ยตั้งรบกันอยู่ในเดือนเศษแล้วเตียวเตียวเนี่ยก็ถือว่าแกสุ้มกวนว่าะแต่ขึ้นได้ดตั้งรบกันกับโจโฉมาครั้งนี้นี่ก็ในเวลาเดือนเศษแล้วทหารทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายลงเป็นอันมากโจโฉนั้นก็จำมาในการสงคราม ซึ่งท่านจเจ้าชายชนะมันนะเห็นจะไม่ได้อันจะตั้งรบกันไปชนิดทหารเราก็จะยิ่งตายลงอีกขอให้ท่านแต่งทหารไปยอมขอออกแกโจโฉเสียมีเตียวเจียวแนะนำเช่นนี้นะไปขอออกแก่โจโฉเสถ้าถึงปีเดือนกําหนดแล้วจะแต่งเครื่องบรรณาการขึ้นไปตามธรรมนี การกระทำเช่นนี้มันก็เป็นสองประการอยู่ผมไม่ยังจะยอมแพ้เสียเกียรติแต่ถ้าจะว่ากันถึงการสู้กับคนอยู่ชนิดสู้กันตอกไม้ก็มีแต่ย่ําแย่เพียงแต่มีหนังสือแจ้งไปขอออกคือขอยอมยอมแพ้แต่ทุงปีเดือนก็แต่งเครื่องบรรณาการถึงไปถวายเท่านั้นแหละสุปวนก็เห็นชอบเดียวกับเตียวเกีเยรคุณนางผู้ใหญ่แล้วก็จะแต่งเครื่องบรรณาการขึ้นไปตามธรรมเนียม ก็จินให้เปาจิตไปเป่าจิตนะก็ลาสุ่มกวนไปไปถึงแค่โจโฉาทหารก็เข้าไปแจ้งโจโฉไปหาตัวเปาจิ ต, จตเข้าไปเปาจิตเมื่อเข้าไปแล้วก็เข้ไปทนับโจโฉแล้วก็บอกว่าซุ่มกวนให้ข้าราจ้ามาแจ้งแกท่านว่าซึ่งจะตั้งรบพุ่งกันสืบไปชนิ้ทหารทั้งสองฝ่าย มีแต่จะได้รับความเดือดร้อนร้มงไยวุ่นวายสิเปลืองชีวิตไปเปล่าๆขอให้ท่านยกกองทัพกลับไปเสียถ้าถึงกาหนดปีก็จะแต่งเครื่องบรรณาการไปขมับตามประเพณีผู้ใหญ่ผู้น้อยนี่โจโฉได้ฟังก็จึงตอบว่าตัวเรานี่เป็นผู้ใหญ่ส่วนกวนมายท่านอนะ อายุอ่อนกว่าเรานะครั้งเราจะเลิกทับกลับไปก่อนก็มีความละอายอยู่ท่านจงไปบอกสุ่มปวนให้ยกทักลับไปก่อนเถะและเราจึงจะเลิกทะกลับไปเป็นว่าโจโฉก็ยอมมือนกันแยอมรับแต่ว่าต้องเกี่ยงงอนกันนิดหนึ่เพื่อยศเพื่อสะเพื่อความยิ่งใหญ่กว่ากันนิดเมาจิต ก, ก็ ราโจโฉกลับมาหมอกไอ้สุ่มกวนสุ่มกวนเด็ดฟังก็ให้จิวไทยจิวไทยคือตอนนี้ก็รักษาบาดแผลหายแล้ว่ะกลับจิวขิงอยู่รักษาค่า้ยีสูนี่แหละแล้วสุ่มกวนก็ยกทับกลับเข้ามือตันตังข้างจโจฉ น, นก็นให้เตียวเตียวกับจิวขิงอยู่รักษามหือหัปมา แล้วโจโฉก็ยกกองทัพกลับไปเมืองหูโตเป็นอันว่าสุกหนะระหว่างกังตังกับหูโตโจโฉกับสิ่มกวนณยุทธภูมิเมืองหอบา แขวนแบนปอแดแบนกับมือกังตันเลิกร่างรากันไปดิ่งต่างฝ่ายต่างย่ําแย่ไปด้วยกันทั้งคู่แหลโะโจโฉก็แย่จึงยอมรับการอ่อนน้อมของสุ่นกวนถ้าวิเชนั้นโจโฉไม่ยินยอมหรอกจะต้องติดตามบทขยี้สุ่นกวนแล้วก็ยึดกังตันให้ได้นี่เป็นจุดประสงค์มันแท้จริงอยู่ละแต่นี่ก็ดีความบอกช้ำดึกกันทั้งสองฝ่ายนะเป็นอันว่า สงครามครั้งยุงทธภูมิเมือหักปายุติลงไปถ้าจะกล่าวไปแล้วนี่ก็ต้องเรียกว่าแพ้โดกันทั้งสองฝ่ายโจโฉก็กลับเมืองฮูโตสุ่มควรก็กลับเมืองตังตังข้างด่านหูโตนี่กวนนี่ที่ปรึกษาประธานทั้งทงวงประชุมปรึกษาหารือร้อมกันนี่ก็อเอาอีกแล้วคือจะยกย่องแต่งตั้งโจเมงเตโจ ซึ่งได้รับตําแหน่งเป็นวีโงงอยู่แล้วเนี่ยให้ขึ้นเป็นเจ้าวี อ, องอีนี่จะยกไปดีหรืร์ซึ่งต่าซึ่งต่ำได้ยินที่ปรึกษาขโมงปรึกษากันจะยกย่องสั่นเซินโจมินเตโชกันถึงฉชนั้นก็จริงว่าท่านทั้งปวงจะตั้งโจโฉให้เป็นเจ้าวี อ, องนั้นนะ่ะ เราไม่เห็นด้วยนายฐานน้ำหลก็จงตอบว่าท่านไม่รู้หรอกหรือเมื่อครั้งก่อนก็ค้นแท้เดียว ก, กันกับท่านเนี่ยคือซุนฮกขัดขวางก็ต้องมีอันถึงกับความตายไปนี่ซุนต่ำได้ฟันนั้นก็โกรธก็จริงว่าครั้งนี้ได้ทีท่านฐานหวงแล้วท่านจะทำประการใดก็ทรมาตามชอบใจเถอะ ฐานคมมึงในที่นั้นเด็ฟังซุนต่ำว่ากล่าวเช่นนั้นนะ่ะก็ต้องถือละว่าเป็นข้อหยาบช้าเพเอามีความต้องสิงเด็กไปบอกแกโจโฉโจโฉได้ฟังดังนั้นก็สั่งเอาตัวซุนต่ำเนี่ยเป็นไปจําใส่คุกไว้ดซุนต่ำนั้นก็กะมีใจเกล็บแขนโจโฉมาด่าโจโฉเป็นข้อหยาบช้าต่างๆทุกเวลา จะผูคุ้มก่อนเนื้อความไปบอกแกโจโฉโจโฉได้ฟังแล้วก็โกรธกินสั่งให้อันนี้จากสามก๊กฉบับเจ้าพรยาพระคลังหนนะครับความว่าอย่างนี้สั่งให้ชักคอซุ่มต่ำเสียให้ถึงแก่ความตายนี่เป็นการประหารกันแบบดุวิธีหนึ่งนะครับให้ชักคอเสีย คือใช้เชือกนะ่ยเอา ม, ามาอัดคอชักบึงจนกระทั่งตายอะ่ะขณะนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าเฮนเตมาประทับอยู่เมืองฮูโ ต, โตใน21ปีซึ่ตรงกับปีพุทธศักราช759 เป็นตอนเดืนเจ็ดข้างขึ้นขุนนางและทหารทั้งปวงซึ่งมีใจรักโจโฉก็ร่วมคิดกันแต่งเรื่องราวปราบภูมิเจ้าฮินเตะเป็นใจความว่ามุยโขงนี่คือตำแหน่งของโจโฉเขาขณะนี้เขาขึ้นเป็นมุยโขได้เป็นมุยโขงอยู่นิดมุยโขงมีความชอบได้ปราบรามขฆาศึกเป็นอันมาก ก็คือว่โจโฉได้กระทำมากที่วรวบรวมแผ่นดินทั้งปวงให้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนิชจะว่าไปโดยแท้จริงก็เป็นคุณนามความดีของโจโฉโดยแท้จริงที่กระทำต่อป้อมจักรพรรดิเฮี่นเต่เนี่ยเด็กระทำต่อราชบัลลังก์เฮี่นเต่เนี่ยโจโฉกท็ทำอ่ากวาดต้อนบ้านเมืองต่างๆมาได้มากมายเพราะทุกหัวบ้านหุวเมืองแข่งเมตั้งเมืองอไปต่างๆม า, มา ก, กันแต่แต่ครั้งโอนนู้ก็ยังเป็นอยู่เช่นเนีย่ยังน้อยการปราบปราม แควนตั้งฉวนหรือเมืองหันโงงของเตียวล่อได้เนี่ยก็เป็นความดีความชอบนญิงใหญ่มหาศาลอยู่ะนี่สมควรขอให้เลื่อนยศแต่งตั้งวีโ๋งขึ้นเป็นเจ้าเป็น อ, องให้ขึ้นเป็นเจ้าวี อ, องเธอนี่พระเจ้าเย็นเตะเด็กฟังขุนมางทั้งปวงทูลดังนั้น ก็ตรัสสั่งเจงอิวให้แต่งชื่อวีกงขึนเป็นเจ้าวีอ๋องให้เคียรถทองเทียมมาหกตัวและเคื่อนแต่งตัวแห่แหนนันให้เหมือนกันกันกบเจ้าแผ่นดินเจงอิวก็จัดการขนาดชื่อให้แกโจโฉตามรับสั่งทุกประการ โฉน้นครั้งระชาทานชื่อดังนั้นแล้วในที่นี้กล่าวไว้เท่านี้เลยนะครับแต่รับประชาชื่อดังนั้นแล้วก็มีความยินดีก็จึงคิดต่อไปทีเดียวละคือก็ต้องการกระทาต่อไปเพื่อแผ่นดินเออ ก, กระองจักรพัฒน์ด้วยเมืองเงียบขุนเป็นแดนปลอดแดนจะสร้างขึ้นไว้ให้รุ่งเรืองเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศสืบไปภายหน้า และโจโฉก็สั่งให้ไปสร้างตำมะและวังซ่อมแซนค่ายคูประตูหอรบขึ้นให้เป็นสง่าดังเมืองหลวงสร้างเมืองเงียบกุนให้เป็นสง่าดังเมืองหลวงเวลาไปมาจะได้เป็นที่พมักอาศัยทหารก็เกณฑ์กันไปทำเมืองเงียบกุนตามสั่งของโจโฉ โจโนี่มีบุตอยู่สคนโจผีคนหนึ่งโจเตียงคนหนึ่งโจศิษฐ์คนหนึ่งโจหินคนหนึ่ง น, นี่สโจด้วยกันโจโฉนี่นีมีกลาวเฉพาะลูกชายเท่านั้นนะโจศิษฐ์เนี่ยเป็นคนมีสติปัญญารู้ทำโครงคือเขียนโครงฉันกลับ ร้อนเก่งว่าอย่างนั้นเถอะโจโฉนี่มีใจรักโจศิว่าบุตรทั้งสามแม้ว่าโจโฉจะยกทัาไปครั้งใด้างนี้จะเอาบุตรไปด้วยบุตรทั้งสี่คนนี้ก็จะออไปส่งโจผีก็จะร้องไห้ตามบิดาโจเตียงโจหินหนิงอยู่เฉยอยู่แต่โจศินั้นก็จะถือ ผูกกันเขียนคําโครงสั่เสริญเกียรติยศบิดาเขียนคําให้พรต่างๆเป็นอันมากเนี่ยโจโฉรัโจสิษมากกว่าลูกทั้งสา ม, มนั้นโจศกเพราะว่าโจโฉนะ่ะก็คิดเหมือนทุกๆคนคิดแหละ ว, ว่าโจสิษบุตรคนเนี่ยมีสติปัญญาอ่าโจโฉรักโจสิบมากกว่าลูกทั้งสา ม, มนั้น โจศเพราะว่าโจโฉน่ะก็คิดเหมือนทุกๆคนคิดแล้ ว, ว่าโจศิษหบุตคนนี่ยมีสติปัญญ า, าแต่ว่าน้ำใจกำเริบโจผีนั้นเป็นคนมัทธยัตเห็นจะทำการลึกซึ้งนี่ขนาดนั้นโจโฉก็จึงคิดว่าตัวเรานี่ก็เข้าววยชราแล้ว จะตั้งโจผีหรือโจศิษฐ์เนี่ยเป็นตัวแทนสืบไปแต่ก็ยังไม่ตกลงปรงใจได้ก็ปรึกษากับคุณนางทั้งตวงว่าเราจะตั้งบุตรเราเป็นใหญ่แทนตัวเราสืบไปท่านเห็นว่าผู้ใดบุตรเราทั้งสี่เนี่ยคนไหนที่จะแทนตัวเราได้กาเสียงกาเสียงที่ปรึกษาใหญ่ คนสาคัญต้องเรียว่าคนสำคัญเพราะเป็นสัตว์รูโจโฉมาก่อนทำเอาโจโฉยับเยินมาครั้งหนึ่งแต่เมื่อก่อนนู่นแต่ตอนนี้หนุ่มๆอยู่นะแต่วันเนี้ยมาตอนหลังโจสิกก็มาอยู่อ่าการเสงเนียก็มอยู่กับโจโฉเนียการเชี่ยงเนี่ยก็ตามแนะนำขึ้นว่าอันการขอนนี้จะปรึกษากันนั้นไม่ควรขอให้พิเคราะห์ดู แล้วก็ดูอย่างอ้วนเซียวกับเล่าปีเถอะนี่การเสี่ยงกับกล่าวดานิโ จ, โจโจได้ฟังนั้นก็คิดได้ก็ว่าเราะแล้วก็จริงว่าที่ท่านว่านี้สมควรนะโจโจกลายกรองดูแล้วก็เห็นว่าการอันควรมีอยู่ก็คิดว่าถ้าจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายเหมือนอย่างคนอื่นคนไหนกันนั่นนะอย่างโดยเฉพาะอ้วนเสียวนะ วุ่นวายวิบัติก็เหตุเกิดด้วยเรื่องของบุตรนี่ไปตั้งบุตรคนเล็กเป็นใหญ่บุตรคนโตก็บุ่นวายรบราฆ่าฟันกันจนสิ่งแท ส, ะสะกุลไปอ่ะโจโจเนี่ยก็จึงตั้งโจผีบุตรคนใหญ่เนี่ยให้ขึ้นเป็นเรียกว่าให้ขึ้นเป็นกรมเรียกว่าเจ้าชีจูหรือเรียกว่าชีจู อ, อ เเป็นเจ้าแล้วนี่โจโฉเขเป็นอ๋อวี อ, อง๋งอา้าวก็ตั้งลูกชายคนใหญ่ขึ้นเป็นชีจูอ๋องครั้นถึงเดือนสิบสอง 12. ทหารซึ่งไปจากการสร้างเมืองเงียบกุนก็มีใบบอกมาให้ทูลเจ้าวีอ๋องละนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทูลแล้วทูลเจ้าวีอ๋องคือทูลโจโฉ ว, ว่า ป, ปวงเสร็จแล้วโจโฉเด็กฝางนี่นก็มีความยินดีก็สั่งให้จัดแจงทหารและประเทศที่ทังไม่พร้อมแล้วก็ยกกองทัพเป็นขบวนพยุหักญาตราดุทับพระพยามหากระสับละเพราะเขาเป็ยิ่งใหญ่เฉนั้นจริงๆแหละเคลื่อนพยุหักญาติราไปยังเมืองเงียกุ้มให้มีท้องกราไปทุหัวเมืองให้จัดต้นไม้ มีดอกและมีผลมาปลูกไว้ให้จงมากแล้วค่อยแต่งหนัสือฉบับนี้ไปถึงสุ่นวกวนเจ้าเมืองกางตังคือตอนนี้กางตังเท่าว่าเป็นเมืองออกของจอโจโฉแล้วตามพฤติไนว่าอย่างนั้นโจโฉเห็นนังสูอสุ น, สนวกวนไปายความว่าพระเจ้าวิอองคือตัวโวจโฉจะต้องพระประสงค์ ผลส้มในเมืองกังตังให้สุนกวนเร่งจัดมาถวายเอามาชายกอาหนังสือเนี่ยหนังสือรับสั่งเนี่ยรีไปให้แก่สุนกวนณะเมืองกังๆสุ่นกวนได้แจ้งในหนังสือรับสั่งแล้วก็ให้คุณนานจัดส้มให้หา้าสิบหบให้คนชาหาไปส่งที่เมืองเยี่กุ่นะ่ะเอาเขาบวนหาบส้มนี่ก็หาไป รันไปถึงกลางทางลูกหาบทั้งปวงหยุดพักอยู่ริมเมินเขาแห่งหนึง่งก็ได้เห็นชายผู้หนึง่งออกมาจากหุบเขานั้นชายผู้นี้มีลักษณะอันพิกลอยู่คือว่าเท้าสั้นข้างหนึง่งจากสุซอนตา่อ น, อนรูปร่างพิกลประหลาดเป็นผู้วิเศษหมเสื้อเขียวใส่หมวกสารด้วยหวายตะคา ผู้วิเศษผู้นี้พอเดินมาใกล้ก็ถามบรรดาลูกหาบเรานี่ว่าท่านทั้งปวงนี่จะหาบส้มไปไหมเหตุไรที่มาหยุดพักอยู่ที่นี่ลูกหาบร้องก็แจ้งเห้ฟัน่ะหาไปให้ท่านโอวี่ไปให้โจโฉที่นี่เงียบขุนนะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าหาบมาไกลก็เหนื่อยเต็มที ก็จะหยุดภาค พ, พอหายเหนื่อยแล้วก็จะหาต่อไปอีกผู้วิเศษขาสั้นขางดวงตาซอนรูปร่างทิกลุนผู้นี้มีชื่อแสเดียวกันกับโจเมงเตคือชื่อว่าโจจูผู้วิเศษผู้ดด น, นี้ชื่อโจจูโจจูได้ฟังลูกหาเมือกันตังผู้อย่างนี้ก็จินว่าถ้เาเราจะช่วยหาพให้คนละพัก อภรเบาแรงท่านนะว่าแล้วโจจูก็เข้าหาหาบทรงทีละหาบทีละหาบหาละหา้หาสิบเส้นนี่ก็สองกิโลละ่ะสองกิโลเมตรทั้งห้าสิบหาบเป็นขนทางระยะ2500สองพันห้าร้อยเซนลูกหาบเรานี่ก็มีความยินดีอะ่ะอังโจจู ก, ก็ว่าแต่ลูกหาบทั้งตัวน่ะท่านไปถึงพระเจ้าเวอ อ, องแล้วจงช่วยทูลด้วยเถอะนะ ว่าเราชื่อโจจูเป็นชาวบ้านเดียวกันกับพระเจ้าวีอ๋องมาแต่ก่อนคำนับมาถึงเจ้าวีอ๋องด้วยนี่โจจูว่ายานิสั่งลูกหาไปอย่างนี้แล้วโจจูก็ลีกไปเที่ยวในป่าต่อไปทั้งฝ่ายลูกหาเหมืองกลางต่างทั้งปว ง, ท, ง, งที่หาบส้มไปนั้นต่างคนต่างก็คิดสงสัยอยู่ที่สงสัยก็คือว่าแต่แรกที่หาบส้มมาในมันหน โจจูผู้วิเศษมาช่วยหาบให้เนี่ยทั้งทั้งห้าสิบคนเลยเนี่ยสมทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ยมันเมาไปกว่าเก่าหรอเกินแต่ค่อยๆแต่สงสัยเท่านั้นเองก็ไม่รู้ในเรื่น อ, อะไรอย่างไรสม้มหาบส้มของตนมันจริงเมาลงไปอย่างนี้จะว่าเป็นดยประการใดอย่างไรก็มิเ ด, ด็กแจงละ หักทั้งห้าสิบของเมืองต่างๆน่นะส้มมันเมาก็ดีหากแบบเบาดิเดินทางไปถึ ง, งเมียบขุนกอส้มเข้าไปถาวายพระเจ้าวิอองพระเจ้าวิอองคือโจมิปรยโชเห็นสมม้มก็มีความยินดีที่ยินดีไม่ใช่ยินดีเพราะส้มหรอกทั้งนี้ดึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าสุนกวนอ่อนน้อมโดยสุจริตยงไงเมื่อมีหนังสือไปขอส้มเนี่ยมันก็ได้ส้มนี่ ถ้าไม่อ่อนน้อมมันก็อาจจะได้ไปอย่างอื่นกลับมาแต่พอเอาส้มมาฉีกดูสิฉีกดูเป็นหลายผลไม่ได้มีเมือเลยมีแต่เปลือกทั้งนั้นเอาโจโฉก็สงสยัยอะพระเจ้าวิอองสงสัยก็ถามลูกหาตป้งสิ้นเดียวอะเหตุใดเนี่ยส้มยิงเป็นอย่างนี้ลูกหาตั้งปวงก็ตอบว่ามิทาดได เนด้วยว่าเมือ่อปากกบเรจาหาบส้มมาพักที่กลางทางนะมีท่านผู้วิเศษผู้นึ่งชื่อว่าโจจูด้วยมีเมตตาเห็นก็เจ้าหาบส้มมาเหนื่อยนั่พักอยู่กลางทางก็ช่วยหาบพระหาบกันได้ทุกคนนี่แหละคนละห้าสิบเส้นห้าสิบเส้นทั้งห้าสิบหาบและโจจูนั้นฝากคำนับมาถึงท่านว่าเป็นชาวบ้านเดียวกับท่านมาแต่ก่อน แล้วว่าได้รู้จักท่านมาก่อนนี่ลูกหาบก็กราทูนประเดคราคุณรายงานให้ทราบด้วยโจโจโก็สงสัยว่ไม่เป็นอย่างนั้นได้พอดีมาประตูเข้ามาทูลว่าบัดนี้โจจูจะขอเข้าเฝ้าพอดีเหตุการณ์นี้ด้วยนี่โจโฉก็สั่งให้ตัวโจจูเข้ามาลูกหาบตั้งตัวเห็นโจจูก็ร้องขึ้นพร้องกันว่า อาจารย์โจจูผู้นี้แหละที่ช่วยผลหาบส้มมาให้แก่พวกขบจ้าทั้งปวงโจโจได้ฟันก็ถามโจจูทีเดียวว่าตัวได้เรียนวิชามาแต่ไหนเนี่ยจิงแป้งกระทำเอาเนื้อส้มออกทั้งหมดหรือแต่เปลือกเปล่ามาให้เราชนิดโจจูก็จริงว่าธรรมดาส้มจะไม่มีเนื้อหนาหามิได้ ส้มมันก็ต้องมีเนื้อส้มอยู่ข้างในท่านว่าข้าพเจ้าเอาเนื้อส้มออกไั่ก็ไรอยู่ถ้าท่านสงสัสยข้าพเจ้าจะปอกให้ดู<ฮ>โจถือ ว, ว, ว่าก็ส้มมาปอกให้ดูก็มีเนื้อส้มปกติเห็นประจักษ์ด้วยกันทั้งนั้นแหละโจโฉอย่างนัง้นก็ขาดใจนะก็เอาส้มมาฉีกลูกลูกนึ่โจโฉฉีกออกส้มลูกที่โจโฉฉีกเนี่ยไม่มีเนื้อส้มมีแต่เปลือกทั้งลูกเลย ก็ยิ่งสงสยัยโจโฉก็เชิญให้โจจูขึ้นมานั่งแล้วก็ถามว่าเหตุใดอ่ะส้มมันจึงเป็นดังนี้โจจูก็จีงว่าข้าพเจ้าจะขอสุราและเครื่องเลี้ยงมากินก่อนและจิงจะแจ้งให้ทราบนี่ธรรมดาผู้วิเศษท่ามีอิทธิฤทธิเดชดิยังไม่บอกต้องกินก่อน โจโฉก็สาวสุรามให้โจจูกินถึงห้าไหโจจูกินหมดห้าไหก็ไม่เมาเอาแพะมาอีกตัวหนึ่โจจูก็กินแพะหมดตัวแต่ก็ยังไม่อิ่งยังบอกว่าไม่อิ่งจะกินอีกโจโฉเห็นประหลาดดังนั้นอัศจรรย์มากแล้วก็รู้อยู่เนี่ยว่าเนี่ยเขาเกิดทําด้วยวิชาโจโฉก็รู้ก็จึงถามว่าท่านเรียนวิชานี้มาแต่ไหน จึงทำเร่เกระเทศได้ดังนี้โจจูก็บอกว่าเมื่อขาบาเจ้าถึงศีลอยู่หน้าเขามูปีสันแดนเมืองเสฉวนได้สามสิบปีเทพ ย, ยดาเอาตำรามาให้ขาบาเจ้าสามฉบับฉบับนมงชื่อเทียนตุนฉบับสองชื่อเตยตุนฉบับที่สามชื่อยินตุนฉบับที่หนึ่งคือเทียนตุนนั่นนะ่ะ มีไวสำหรับเรียกลมหรือเรียกฝนทำอิทธิฤทธิ์เหาะไปได้โดยอากาศฉบับที่สองคือเตตุนนั้นถึงมาว่้จะใช้ก้อนฟิราหรือจะแทุกูเขาออกไปนี่ก็ได้ฉบับที่สามคือยินตุนนั้นแม้ว่าบางกายจะใช้อาวุธรอบไปทำอันตรายแก่ผูดด้ใดนี่ก็ได้ตัวท่าน พบยศศักดิ์แล้วแต่หารู้วิชานี้ใหม่ท่านจงละสมบัตินิเศเถิดไปถือศีลอยู่ในปา่าตามถ่ำตามภูเขากับขบเจ้าเธอจะได้เรียนวิชาอันวิเศษทั้งสามฉบับนี้ให้ชังมานโจจูชวนท่านโจมินเตโชพระเจ้าวีอ๋ อ, องออกบวชซะอย่างนั้นแหละโจโชก็จีว่า อ, อันวิชาอย่างนี้ เราก็รักใครที่จะได้รับเบรียนอยู่แต่จะไปมันไม่ไปไม่ได้เยรัชการบ้านเรนี่มากมายแม้ไม่มีผู้ใดจะรับทุระต์แทนตัว เ, เราได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่อาจจะไปได้โจโฉพูดดังนี้คือว่าหวงสมบัติพระสถานทั้งวงแหละโจตูได้วยฟันเกาว่าเลาะแล้วก็พูดว่าเหล่าปีเจ้ามืองเสฉวนเี่ยเขาก็มีสติปัญญา แล้วก็เป็นเชื้อ ว, วงพระเจ้าเินเต้ด้วยก็เหตุใดท่านไม่มอบราช ก, การบ้านเมืองให้เราปีซะเนาะถ้าแม้นท่านขัดขืนไม่ทําตามคําเรานะเราจะแสดงวิชาใช้อาวุธตัดศีรษะท่านเสียเอาโจจูมาไม่นี้ขึ้นแล้วโจโฉด้วยฟังนี่ก็กโกรดสิโจโจู่มีวิชากว่าจริงนะจะมีทิ้งิที่เดชยังไรก็าตามเถอะ แต่โจโฉนี่มีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินโกรธทีเดียวร้องสั่งทาหารเลยว่าไอ้ไอ้คนนี้มันเป็นพวกเราปีมันแกล่งมาสอดแนมราช ก, การในเมืองเราจับตัวมันไว้มีโจโฉสั่งอย่างนี้เลยทาหารโจโฉประมาณส0สิบคนก็เข้ากรุงีรุ่เข้ามาจับตัวโจจู่ขาซ่างคนนี้มาโูกแนมหมาแล้วก็ทบตีด้วยอาวุธต่างๆไปน็นมากทีเดีวยว โจจูผู้วิเศษก็ทําเป็นนอนหลับตาหัวเราะเฉยอยู่โจโฉค่อย เ, เอาคือคามาจองจําแล้วก็ลงพืชโจโฉอะโจจูให้มั่นคงคือจองจําคือคามั่นคงเลยทีเดียวละแล้วค่อยทหารเฝ้าอยู่เป็นนั้นมากเลยไม่หนีได้จะวิเศษยังไงจะหนีไปยังไงจองจําคือคามั่นคงแล้วเจนี้่แล้วลงพืชด้วยเนี่ย หมายความบอกทั้งขาทั้งแขนทั้งค อ, อนี่ถูกตึงแน่นหมดครั้นเวลาเช้าผู้คนก็เห็นขาคือที่คอเหล็กพืชกองอยู่เฉยๆทั้งสิ้นแต่ว่าตัวโจโจผู้นี้สิก็อยู่ที่เนี่ยแต่นอนเป็นปกติอยู่นี่ได้ถูกจองจำอย่างไรอะผู้คนก็เนื้อความนีม่ไปกราบทูลพระเจ้าวิออง พระเจ้าวีอ๋องคือโจโฉไม่ทราบดังนั้นก็สั่งให้ขังโจจู7เจวันให้อดข้าวอดน้ำอยู่ในคุกนั่นเลยอย่าได้ต้องให้กินข้าวกินน้ำเลยจะให้ตายอยู่เช่นนั้นทั้งเจวันนั่นแหละอาโจโฉสั่งให้เอาตัวโจวจูไปขังคกุก เ็วันไม่ให้ข้าวมาให้น้ําด้วยผู้คุมก็จินคิดว่านี่โจจูอดข้าวอดน้ำมาเจ็ดวันแล้วมันจะไม่ตายหรือก็อเปิดประตูเข้าไปดูเมื่อครบเจ็ดวันแล้วนะ่ะเปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นท่านโจจูขาสั้นเนี่ยนั่งวะเลาะสบายอยู่ผู้คุมก็สงสยัยก็เอาความนี่ไปกระโจนในถ้ำโจไม่ได้โฉดศัพท์ทุกประการน่ะ โจโวก็อัศจรรและก็หยิบขัดเค้ื่อนขึ้นแขวตัวโจจูออกมาแลวก็ถามว่าคือถามดืออๆทำยังไงอ่ะโตถึงจะตายอ่ะโจจูก็จึงว่าถึงมาต ว, วัดจะให้ขบเจ้าอดอาหารสักสิปีขบเจ้าก็ไม่ตายถึงแม้ะจะ ก, กินแพะพันตัวในวันเดียวเนี่ยขบเจ้าก็หาเป็นอันตรายใดๆไม่ โจโฉได้ฟังดังนั้นจมปัญญาไม่รู้จะทำยังไงที่จะฆ่ามันให้ตายได้่อยทั้งจับมัดทุกปีถิงแทงเหลวต่างๆนานาประการก็นอนหลับตาหัวเราะเฉยอย่างเงี้ยจองจำขืนค า, ราหรือก็หลุดออกมาได้เอาไปขั ง, ขงคุกใครอดข้าวเจ็ดวันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนี่ทำยังไรไม่รู้จะทำยังไงให้โจโูตายได้ มณะ น, นันก็เป็นวันเลกที่โจโฉจะขึ้นตำแหน่งใหม่ด้วยคอยหาคุณนางนผู้ใหญ่ผู้น้อยมากินโต๊ะกันอยู่วะโจจู่เนี่ยก็ลุกขึ้นไปยืนตรงหน้าโต๊ะกลางที่ประชุมคุณนางนทั้งปวงอ่ะแล้วก็พูดกับโจโฉ ว, ว่าท่านทําการใหญ่ถึงเพียงนี้ยังจะประสงค์ของสิ่งใดบ้างนี่โจจู่ถามอย่างนี้ มันจะต้องการอะไรอ่ะโจจูก็แกล้งที่เดียวแกล้งทุบะของทั้งตวงเนี่ยเราก็มีพร้อมอยู่แล้วยังขาดอยู่แต่ตะมังกรเราใครจะได้ตะมังกรท่านจงรีบไปหามาให้เราเถอะโจจูเดฟกฝนไม่ก็หัวเราะหัวเราะกันอู่ิเศษเรียกเอาผู ก, กันมานี่เอามาเขียนเป็นรูปมังกรลงที่ฝาผนังหละ เขียนไปรูปมังกรเสร็จแล้วก็เอามือเสื้อเนี่ยปัีนกว่โบกไปโบกมาเจ้ามังกรที่มีแต่ที่เป็นแต่รูปอีู่ที่ฟันฝาผนังน่ะตรงท้องมังกรเนี่ยก็แตกออกโจโจก็เอามือล่วงเข้าไปหยิบเอาตักมังกรมาให้โจโฉรูหิจยังติดสดๆอยู่เห็นประจักรด้วยกันทั้งสิ่งโจโฉก็ เราหวาดเาจริว่า เ, าเราหาเชื่อไหมตัวแกล้งทคนอหบายเอาตับสัตว์อย่างใดมาซ่อนไว้ในมีเสื้อก็ได้โจจู่ก็ตอบว่าอ้าวท่านไม่เชื่อก็แล้วไปเถอะเอาอย่างนี้ขณะนี้เป็นเทศกาลเดือนอ้าเนี่เป็นเดือนที่หาดอกไม้ทั้งตวงได้ยากแม่ฉันต้องการดอกไม้สิ่งใดล่ะต้องการดอกไม้อะไร พระเจ้าจอามาให้โจโจได้ฟังก็บอกว่าเราใครจะได้ดอกโบตัน๋นท่านจงได้กอบมาให้เราโจจูก็เอากระถางใส่ดินม า, าแล้วก็เสกน้ารดลงไปที่ดินในกระถางนั่นแหละบัดเดียวใจก็มีต้นโบตั๋นต้นหนึ่งงอกขึ้นมาทุกคนก็เหนเบิดกัน เมื่อกขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วก็ผลิดอกออกมาสองดอกโจจู่ก็ยกกระถานตันมานในข้อไปโจโฉ ก, ก็ทั้งโจโฉและคุณนางทั้งปวงตางก็เห็นอยู่ทั่วกันจะนนั้นก็แลดูตากันตลิงไปโจโฉ ก, ก็จึงว่าอันต้นโบต่างเนี่ยปลูกยากนะแม้ผูดด้ใดจะปลูกท่านวัดต้องให้ปลูก ต้นไม้ดอกอื่นๆให้ครบร้อยสิ่งก่อนจึงเอาต้นโบตั๋นนั้นมาปลูกลงถ้ากลางจึงจะเป็นและต้นไม้ทั้งร้อยสิ่งนั้นก็จะผันดอกเข้าไปหาต้นโบตั๋นทั้งสิ้นและโจโฉก็เชิญโจจู่เข้ามากินโต๊ะด้ยวยคุณนางทั้งปวงคือไม่รู้จะทำยังไงได้แล้วไม่เชื่อก็จำต้องเชื่อละขณะเด็กโจจูเสษุราอยู่นั้นก็พูดว่า ทำไมจะได้ขิงสดมาแก้มเราล่ะโจโฉก็บอกว่าอ้าวท่านก็มีความรู้นี่จะเอาอะไรก็ทําเอาสิก็จงทําขิงสดเอาเองสิโจจูก็บอกให้เอาถาดมาใบนึง่งแล้วก็ถอดเสื้อของตัวคลุมลงบนถาดนั้นสักครู่นิดก็เปิดเสื้อออกขิงสดขิงสดสดมีอยู่เต็มถาดเลย ก็ยกมาให้โจโฉโจโฉก็เห็นหนังสือฉบับหนึ่งวางอยู่บนถาดมีสารบัญว่าบังเต็กนี่มีชื่อบอกบังเต็กมีชื่อหนังสือนะโจโฉก็หยิบมาดูก็จำรายมือได้นี่เป็นรายมือของตัวเองอะโจโฉก็จึงว่าหนังสือฉบับนี้เราแต่งเองเราฉีกเส้ยแต่เมื่อครั้งเตียวสง มาแต่เมืองเสฉวนคือหนังสือฉบับนี้คือนี่เป็นอีกข้อนหนึ่งที่กล่าวยืนยันได้ถึงความรู้ความสามารถของโจโฉอเด็กเขียนเป็นตํำรับตารา ต, ต่างๆนั้นมาประการทุกอย่างละรวมว่าในหนังสือเนี่ยแล้วครั้งนั้นเตียวสงทูธทรยศจากเสฉวนได้ออกจากเสฉวนมาพรา้อมในวานแผนที่เมืองเสฉวนมาด้วยมาหาโจโฉ ในฐานะติดตมถือว่าตมจะเอาเมืองเสฉวนมามอะให้โจโฉเด็กก็ะทำอยากชาอุ๋โอ้อดต่างๆนานาประการนะ่ะนี่ตอนนั้นนะ่ะแล้วเตียวสงเนี่ยก็ทําเป็นบอกว่าอหนังสือของโจโฉเนี่ยเด็กเด็กในเมืองเสฉวนมันร้องเรียนกันม า, มานานแล้วโจโฉจึงโกรธมากฉีดนังสือนั้นทิ้งไปอะอะเานี่ทวนเรื่องราวกันนิดนึงโจโฉเขาจงใจเนี่ยนังสือเนี่ยเราฉีดแ้่แต่ครั้งเตียวสงซึ่งมาแต่เสฉวน เร้่ใดอ่ะบัดนี้มาเป็นฉบับดีๆอยู่อย่างนี้ได้ในหน้าสงสัยโจจูผู้วิเศษก็หยิบเอาจอกหยกริงสุราคำนับยืใ่ในไโจโฉแล้วก็พูดว่าเชิญพระเจ้าวีอองสเสวยสุรานี้เข้าไปเถิดอายุจะยืนได้พันปีโจจูว่าอย่างนี้นะโจโฉด้วยความไม่เฉื่อใจ ก็จริงว่าท่านกินก่อนเถอะโจจูก็เอาปีนปาดผมออกมาขีดขั้นกลางทวดสุราเป็นครึ่งนะึ่งอะแล้วก็ดึงเข้าไปครึ่งหนึ่งทวดสุราเนี่ยสุราก็หมดไปครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งสี่อีกสี่หนึ่งเขาอยู่ปในปกติตามที่เอาปีนขั้นเขาไวนะ้น่ะเนี่ยโจจูพิเศษทาให้หนะจจ้าซ่าจงนี้อีกนะแล้วก็เอาท่วดสุรานี่ในโจโจโจโจเห้ประวลาดดังนั้น ว่าโจ๋จูแล้วเอจอกสุรานเนี่ยจโจโฉเนี่ยกระหวาดโจ๋จูโจ๋จูก็เลยโกรธมาเหมือนกันจโจ๋จูก็เอาจอกสุรานเนี่ยคว้านจโจโฉเลยเจ้าจอกสุรานั้นก็กลายเป็นนกกระเรียนบินร่อนอยู่บนศีสซาจโจโฉคุณนางทางปวงเห็นประหลาดอัศจรรย์เช่นนั้นน่ะต่างคนต่างก็ตกใจ ต่างคนต่างก็จ้องดูเจ้นกกระเรียนตัวนั้นเป็นตาเดียวกันห่ะแต่ครั้งคือมองดูนกที่บินอยู่ข้างบนนั่ะบินอยู่บนซีซ่าโจโฉบินเหนือซีซ่าโจโฉวว่อนอยู่นั่นน่ะทุกคนก็มองอยู่นู่นครั้งมองกลับลงมาก็ไม่เห็นโจจู่เสแล้วโจจู่หายไปแล้วบางก็สงสัยเป็นอันมากก็พอดีมีฐานข้ามาบอกว่าโจจู่ หนีออกไปนอกประตูแล้วโจโฉนี่ก็ต้องกล่าวว่าด้วยความมัวเมาในอำนารจราชศาตร์ทั้งสิ้นทั้งปวงแหละพบของดีก็ไม่รู้จักว่าดีอย่างเงี้กยก็ะเพามีแต่ความโกรธความแค้นหนกมาไมมาประการเนี่ยโจโฉก็จริงว่าไอโจจูนี่มีเลขกระเทอาคมต่างๆเราจะละมันไว้ได้หรือมันจะทําอันตรายแกเราจําจะต้องคิดอ่านค่าเสียให้ได้ มีโจโชโกรธมากทั้งที่ทำอะไรผู้ประการทำไม่ได้เขาอยู่ในมีทแท้ๆยังฆ่าไม่ได้แต่บันีหนีไปแล้วเนี่ยโจโฉบอกจะต้องคิดอ่านฆ่าเสด็จด้ก็จึงสั่งให้เขาถูคุมฐาน300รไปจับตัวโจจูมาให้จุ่ได้โจโฉต้องใช้เขาถู ยอดทหารเสือช่างที่หนึ่งออกไปจับตัวโจจูเข่าถูกก็คุมหาน300รอรีดติดตามไปไปถึงกลางป่าก็เห็นโจจูขาสั้นผู้นี้เดินเป็นปกติคือคือคงเดินกระเพกกระเพ็กไปเป็นปกติอะเข่าถูกระปานนั่นลุกมาตามไปพักนึงแทบจะสิ้นกำลังแต่ก็ไม่ทันโจจูเดินเดินเดินอย่างที่คนขาสั้นเดินนั่นแหละคือเดินเดินปกติ หมายความไม่ได้รีบวิ่งรีบนีไปยังไดก็เห็นว่าเดินธรรมาดาแต่ว่าเขาทูและทหารสามร้อควบมาตามไม่ทันจนไปถึงเนินเขาแห่งนี้ก็พอดีมีเด็กป้อนฝูงแพ้ออกมาเลี้ยงโจจูเนี่ยก็เดินเข้าไปในฝูงแพ้นั่นแะเอ่อเขาทูเห็นนี้ก็สั่งทหารให้เอาเกาทันยิงเข้าไปโจจู ก็หายตัวไปในฝูงแพะหายตัวไปเขาถูก็โกรธสร้งให้จับแพะฝูงนั้นมาฆ่าเสียสิศพแพะนี่กลื่นไปเลยก็ไม่ได้ตัวโจอจูขฆ่าแพะตายหมดฝูงเลยอันนี้ท่านทาได้เพราะท่านเป็นแม่ทหาราใหญ่เมื่อไม่ได้ตัวเขาถูก็พาฐานกลับมากราบพูเนื้อความนี่แก่พระเจ้าวีอ๋อง คือโจมีประโชนให้สาทุกประการว่าไม่ได้ตัวโจจูหายไปแล้วทีนี้ค้าฝ่ายนุ่นเด็กเรียนแพีสิเห็นแพะตัวถูกทานฆ่าตายหมดเลยอ่ะเด็กเลียงแพะก็ น, นั่งร้องไห้เป็นทุกอยู่ก็ได้ยินเสียงคนพูดมาจากศรษสะแพะมีเสียงร้องออกมาว่าอย่าร้องไห้ไปเลยไอ้หนู เอาศรีรษะแพะกับตัวแพะเนี่ยมาต่อกันก็เถอะแพะของเองเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมเด็กได้ยินเสียงแพะร้องอย่างนั้นก็ตกใจคิดว่าผีหลอกเอามือปิดตาวิ่งคือธรรมดากลัวมากก็ไม่อยากเห็นอะเอามือปิดตาแล้วก็วิ่งร้องไห้ไปทีเดียวโจจูก่ก็ออกมาจากศรีรษะแพะ แล้วก็หวังที่จะให้แพะเรานี่มันฟื้นขึ้นมาไม่อยากให้มันตายอะ่ะก็วิ่งตามไปร้องบอกกันเด็กว่าให้เร่งกลับมาเถอะไม่ต้องกลัวเราร็อไปจับเอาศิรษะแพะต่อกันเข้าเถอะแพะมันก็จะเป็นขึ้นมาจะฟื้นขึ้นมาเหมือนอย่างเก่าดังเดิมแหละเด็กเหลียวมาเห็นโจจู<ๆ>ก็ค่อยคลายใจคลายความหวาดกลัวก็<ๆ>กลับมาเอาศีรษะแพะ มาลำ บ, บากแล้วคือต่อต่อต่อตอกันเขา่าแพะเรานั้นก็ฟื้นขึ้นมาสิ่งแต่ก่อนนั้นนะ่ะแพะตัวเมียเนีย่ยไม่มีเขาและไม่มีหดวดอ่ะแต่เด็กเอาฟิสระแพะมาต่อกันเขาน่าเด็ไม่ได้พิจารณาคือแพะตั้งสูงหนึ่งก็ต่อผิดเนื้อผิดตัวตัวผูตว้ตัวเมียต่อกันปนไปหมด <c oughs> เอาตัวผู้มาต่อแล้ตัวเมีย ศีรษแพะตัวเมียมาต่อศีศษะแพะตัวผู้เมียแพะตัวเมียจึงมีเขาและมีหนวดมาจนเกิดทางทุกวันนี้อ้ียนะครับถ้าก็จะมีปัญหาตั้งปัญหาถามกันขึ้นทางโทรทัศด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยว่าแพะตัวเมียทำไมถึงมีเขามีหนวดนะถ้าเขาถามนี่ก็ให้ตอบดังนี้นะ มาเหตุโจจู่นี่เขาทําอย่างนี้ <c oughs> เอาะ่ะ <c oughs> นี่เราได้รู้กันว่าแพะ้ตัวเมียมันมีเขามีหนวดเพราะเหตุนี้เราเด็กคนนี้มันต่อหัวแพะผิดเป็นอานว่าแพะเรานิฟื้นขึ้นมามหัวจะสลับสาบกันตัวผู้ตัวเมียติตามแต่มันก็ฟื้นแล้วเมื่อแพะเรานิฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโจจูก็หายไปเด็กนี้แพะก็ตกใจก็ป้อนแพะกลับไปบ้าน แล้วก่อนเนื้อความทั้ตัวงเนี่ยไปบอกแกถูกเป็นนายผูกเป็นเจ้าของแพะอ่าเป็นนของเด็กเรียนแพะคือว่าเจ้าของแพะรู้ดังนั้น mm. ก็เอาความเนี่ยเข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิอ๋องตามคํำที่เด็กเรียนแพะบอกกล่าวให้ฟังทุกประการโจโจได้แจ้งดัง น, นั้นก็สั่งให้ช่างเขียนมาเขียนรูปโจโจูก็เสียจัดสู่ข้างขวา ตาเสียข้างนึงข้างขวาเท้าพิการข้างนึงเอาเขียนรูปบ อ, อกไปแล้วค่อยแต่งหนังสือพร้อมกับส่งรูปนี้ประกาศไปถึงหัวเมืองทั้งปวงว่าถ้าพูดใด